สฉลาดในการยับยั้งอยู่ในสมาธิแรกแรกนักสมาธิทุกคนจะรู้สึกว่าจิตเหมือนเรือโครงเคลงกลางทะเลที่เต็นไปด้วยคลื่นลมการจะให้เหมือนเรือที่แล่นเรียบไปบนแผ่นน้ํานั้นเหมือนเป็นไปไม่ได้เอาเสียเลยความจริงก็เหมือนเรายืนขาเดียวเลี้ยงตัวให้ทรงตั้งแม้ยากและฝืนในเบื้องแรกแต่เมื่อขาแข็งแรง ก็รู้สึกง่ายเข้าจิตก็เช่นกันเมื่อมีกําลังมากขึ้นก็รู้สึกว่าเลี้ยงตัวประคองความนิ่งได้สม่ําเสมอขึ้นทุกทีจิตแบบที่ฝ่ายสงบแสวงหาปิติและสุขจากความวิเวทในตัวเองนั้นย่อมพัฒนาเป็นความฉลาดในการเลี้ยงตัวไปเองเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเป็นผู้วันไหวง่ายมีจิตโคลงเคลงง่าย ก็อาจใช้วิธีสังเกตส่วนของความสุขทางจิตที่เกิดขึ้นขณะนึ่งหายใจออกไม่ลืมความสุขนั้นหายใจเข้าไม่ลืมความสุขนั้นประคองความสุขได้ก็คือประคองความตั้งมั่นได้ไปด้วยนั่นเองเมื่อกำลังจิตยังไม่อยู่ตัวนั้นสิ่งที่ซอแวลฉลาดในการยับยั้งหือในสมาธิคือเครื่องรบกวน เช่นเมื่อกำลังสงบสบายเจออารมณ์อยู่ดีๆมีเครื่องล่อใจให้วอกแวกอาจเป็นเสียงจากภายนอกหรือความคิดของตัวเองภายในจิตกระเพื่อมแล้วกลับวางเป็นอุเบกขาไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าขาดความฉลาดในการยับยั้งอยู่ในสมาธิแต่ถ้าโดนกระทบแล้วยังตั้งมั่นวางเฉย อ, อย่างนั้นถือว่าฉลาดในการยับยั้งอยู่ในสมาธิ 5. ฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิคือรู้ลักษณะการกําหนดจิตให้เป็นไปต่างๆและรู้ท่าทันอาการต่างๆของจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ปรารถนาทั้งฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดทางสมาธินั้นก็มีอยู่ขอให้ศึกษาอนาปานสติสูตรอย่างดีเข้าอกเข้าใจทุกขั้นตอนตามลำดับก็จะเห็นลู้ทางกระทำจิตให้อยู่ในอํานาจ คอยกตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายเช่นเมื่อทำสมาธิแล้วยังมีความฟุ้งรบกวนคุกรุนเป็นระยะบางทีก็รู้สึกกลมคาญเกิดคำถามให้กับตนเองว่าจะทำอย่างไรจึงกำจัดความคิดทิ้งเสียได้หรืออย่างน้อยก็สามารถควบคุมให้ระงับไปตามที่ต้องการได้ถ้าคนทั่วไป จะใช้วิธีกดคมความหลงนึกว่าความคิดจะเป็นอย่างใจตัวเองบ้างหรือใช้วิธีเพ่งจิตเข้าไปที่ลมหายใจแรงๆด้วยความเห็นว่าจะเบียดความคิดให้ตกไปได้บ้างวิธีผิดๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสัญชาตญาณอันยืนพื้นด้วยโมหะสำหรับผู้ฝึกอนาปานสติมาเป็นอย่างดีจะเข้าใจว่า ต้องรู้ลมหายใจเสีก่อนอย่างน้อยสักหนึ่งเป็นการระบายแล้วก็สูดลมหายใจในลักษณะผ่อนพักไม่ใช่เพง่งจับเคร่งเครียดธรรมดาเมื่อหายใจแบบผ่อนพักย่อมเกิดปิติสุขก็ถือว่าการหายใจชุดนั้นเป็นไปเพื่อกาหนดปิติสุขให้เกิดสำเนียกรู้ปิติสุขหายใจออกสำเนียกรู้ปิติสุขหายใจเข้า เมื่อเกิดปีติสุขลมหายใจแบบผ่อนพักสนิดแล้วก็ค่อยๆกำหนดรู้จิตสังขารหรือความคิดปรุงแต่งวิ่งวนอยู่ในใจและก็ต้องเป็นอาการกำหนดรู้ลมหายใจอย่างแน่นอนหนึ่งชุดไม่ใช่แค่กำหนดเอาลอยๆว่าจะรู้ภาวะความคิดแต่กำหนดรู้ลักษณะความคิดในปัจจุบันตามจริงเมื่อหายใจออก กำหนดรู้ลักษณะความคิดแบบเดียวกันนั้นเมื่อหายใจเข้าเมื่อจับได้ว่าความคิดก็ส่วนหนึง่งจิตอันิปิติสุขก็อีกส่วนหนึง่งจึงเกิดอำนาจการนการมากพอที่จะสั่งระงับความคิดจะได้โดยไม่ต้องฝืนสำเนียกรู้ว่าจะระงับจิตสังขารหายใจออกสำเนียกรู้ว่าจะระงับจิตสังขารหายใจเข้า พอเห็นการตายระดับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเช่นนี้เมื่อเกิดความฟุง้งทำจิตเป็นสมาธิไม่ได้อย่างใจก็จะเกิดความฉลาดขึ้นมาว่าไม่ใช่เรื่องต้องไปเสียใจหรือว่าผิดหวังตัวเองแต่แค่เห็นความจริงว่าถึงเวลาควรย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่หลักด้วยการกาหนดสติรู้ลมหายใจออกและเข้าก็ได้ หรือตั้งหลักด้วยการหายใจยังผ่อนกายสบายจิตเพื่อเรียกปิติสุขมาเป็นกําลังในการระงับความฟุ้งซ่านก็ได้อีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อทำอนาปานสติแบบครบสูตรไม่ตกหล่นแม้แต่ระดับขั้นตอนก็จะได้ความเข้าใจเล็กๆ น, น้อยๆหลายประการเช่นเกิดความรู้ว่าที่พระพุทธองค์ให้กำหนดสติในขณะ แห่งการระบายลมออกก่อนนั้นก็เพื่อ ก, การหายใจเข้าเหมือนเป็นตัวตั้งสติตามธรรมชาติคล้ายผู้จะเตรียมตัวเริ่มทำอะไรด้วยความมั่นใจมักหายใจเข้าใช้เฮือกนึงก่อนเมื่อมีสติดีโดยธรรมชาติแล้วกาหนดสติระบายลมหายใจออกจะส่งเสริมให้เกิดความ พ, พร้อมรู้สภาวะธรรม ดังจะแสดงในส่วนต้นของบทที่13บสาว่าด้วยขันธบับ น, นอกจากอนาปานสติแล้วก็ยังมีจิตตานุปัสสนาที่อาจหนุนให้เกิดความฉลาดได้ยวดยิ่งผู้ฝึกจิตานุปัสสนาโดยเปรียบเทียบสภาวะจิตต่างๆก็จะคุ้นจะได้เปรียบในเรื่องเห็นช่องทางควบคุมจิตแบบตรงไปตรงมาเช่น เมื่อผ่านการพิจารณาจิตพุ่งสซ่านบ่อยเข้าก็จะทราบสภาพจิตตัวเองโดยความเป็นเครื่องยิงกลุ่มความคิดออกมาเป็นห่ว ง, วงคล้ายละลอกคลื่นที่มีจังหวะอัดและจังหวะคลายเมื่อสักแต่เห็นโดยความเป็นสภาวะดังกล่าวย่อมคลายความยึดมั่นถือมั่นและเลิกใกล้อยากปรุงแต่งต่อแต่จะเลือกจังหวะที่คลื่น ความคิดคลายลงเป็นจุดเริ่มกำหนดสภาพคล้อยลงสู่ความตั้งมั่นซึ่งจะทำให้จบภาวะฟุ้งได้ง่ายกว่าเมื่อเลือกจังหวะที่จิตกำลังยิงคลื่นความคิดออกมายังมีทางแก้ข้อติดขัดอื่นๆรวมทั้งหนทางพัฒนาให้ก้าวหน้ายิง่งยิ่งขึ้นอันเกิดความรู้ภายในที่จะดาเนินตามหลักสติปัฏฐานทีละระดับซึ่งมีแนวโน้มสูงว่า ผู้ศึกษาสติปัฏฐานจะเป็นผู้ที่ฉลาดในความฉลาดทางสมาธิอย่างทั่วถึงกับทั้งได้เกิดติลื่อมใสในพระปัญญาคุณแห่งพระพุทธองค์เพราะหลักวิธีของสติปัฏฐานนั้นนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครในโลกเลยที่สอนเช่นนี้ข้อ 6. ฉลาดในอารมณ์สมาธิอารมณ์สมาธิคือวัตถุอันเป็นเครื่องล่อจิต ให้ปักหลักรู้ยกตัวอย่างเช่นลมหายใจออกและเข้าเป็นต้นอารมณ์สมาธิอาจเป็นรูปธรรมหรือนามนธรรมก็ได้อาจคล้ายคลึงหรือว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็ได้อารมณ์สมาธิแต่ละชนิดจะให้ผลกับจิตใจแตกต่างกันมากบางทีเป็นคนละเรื่องหรือเป็นขั้วตรงข้ามทีเดียวทดลองให้เกิดความเห็นชัดก็ได้เช่น ลองมองน้ำกำหนดความรู้สึกถึงลักษณะเรียบเยน็นเอิบอาบเกาะกลุ่มสนิทเป็นอันเดียวพักหนึ่งจะรู้สึกสงบเย็นตามน้ำแล้วเปลี่ยนมามองไฟอาจจะเป็นเปลวเทียนหรือว่าไฟกองโตก็ได้ก็จะยิ่งชัดกำหนดความรู้สึกถึงลักษณะร้อนพล่านลุกโพร่กระจายความร้อนออกเป็นระดับต่างๆที่แต่ละจุด พักหนึ่งจะรู้สึกร้อนตามไฟเห็นว่าจิตเป็นคนละแบบการเมื่อนิ่งรู้อยู่กับน้ําการวางจิตเข้าไปในอารมณ์สมาธิใดต่างๆนั้นต่างกันเช่นถ้าตามลมหายใจลักษณะจิตจะจ่ออยู่กับภาษาอันเป็นปัจจุบันทางกายถ้ารู้ความเป็นน้ําจิตจะจ่ออยู่กับลักษณะอันเด่นชัดของน้ําเช่นความสงบนิ่งเ อ, อิบอาบเกาะกลุ่มอันเดียวเป็นต้น ผู้ไม่ฉลาดในอารมณ์สมาธิก็จะไม่เข้าใจการกําหนดขอบเขตอารมณ์หรืออาการที่จิตวางลมจับวัตถุเมื่อกําหนดหรือวางจิตเข้าที่ตัวอารมณ์สมาธิคลาดเคลื่อนจากที่ควรหรือพูดง่ายๆว่าองค์คือวิ ต, ตกไม่ดีก็จะไม่มีวิจารณ์เป็นผลตามมาและน่าจะจับลมหายใจเหมือนกันทว่าแต่ละคน ก็วางจิตกำหนดรู้ลมแตกต่างกันเช่นบางคนกำหนดเฉพาะจุดกระทบลมเพื่อให้จิตตั้งมั่นที่ตำแหน่งเดียวบางคนอาศัยคำบริกรรมเข้ากำกับเช่นหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทซึ่งแต่ละอุบายอาจเกื้อกูลบางคนและอาจทำความสับสนให้กับบางคนแต่หากมุ่งกำหนดรู้เพียงว่าออกเข้ายาวขึ้นหรือสั้นลมเพื่อเหี่ยวนำจิตเข้าสู่ สภาพผู้สังเกตการ์ก็จะได้ความแน่นอนแก่คนทั่วไปมากขึ้นกับทั้งโ้ทางสู่วิปัสนาไว้แล้วในตัวด้วยผู้ฉลาดอย่างสูงในอารมณ์สมาธินั้นนอกจากจะเข้าใจเรื่องผูกจิตไว้กับเป้าล่อชนิดต่างๆแล้วก็ยังสามารถทำกรรมฐานที่มีอารมณ์สมาธิขัดแย้งเป็นคนละประเภทกันอย่างเช่นพวกกสิน อย่างที่เคยผ่านมาในบทก่อนๆ ก, ก็คือกระสินช่องว่างและกระสินสีขาวลักษณะของอารมณ์สมาธิจะผิดแปกแตกต่างกันหากไม่ฉลาดในอารมณ์ก็มักจะกาหนดไม่ถูกเก่งกะสินอย่างหนึง่งแต่ไม่เอาไหนในกระสินอีกแบบหนึง่งหรือบางทีฉลาดบ้างในกระสินช่องว่างน่าจะขยับเป็นกระสินรู้ได้ไม่ยากนัก แต่ปรากฏว่าจับทางไม่ถูกแยกไม่ออกว่าจะเข้ามาจับอาการรู้ได้อย่างไรผู้ภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ตามแนวสติปัฏฐานนั้นขอเพียงฉลาดในอารมณ์สมาธิชนิดที่เป็นปัจจุบันตามจริงก็พอเช่นรู้ว่าอย่างนี้กายอย่างนี้เวทนาอย่างนี้จิตเพียงปล่อยวางความยึดมั่นสภาวะเหล่านั้นได้ ก็จะถึงมารกถึงผลกันส่วนใครจะหาความชำนานทางสมถะบ้างก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะอธัธยาศัยแต่ละคนต่างกันถ้าทำได้ครบก็ถือว่าช่วยเป็นพยานยืนยันให้พระพุทธเจ้าว่าตรัสสอนแต่ของจริงทั้งสิน้นเจ็ดฉลาดในโคโจรสมาธิ คำว่าโคจรในความหมายทางสมาธิหมายถึงที่ตั้งแห่งการภาวนาและความเป็นไปของอารมณ์ยกตัวอย่างเช่นลมหายใจออกและเข้าเป็นต้นบางคนอยู่ดีๆก็นึกสนุกอยากตามรู้ลมหายใจของตนเองโดยไม่มีใครบอกอาจเป็นเพราะว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ระบบทางเดินหายใจดีสังเกตเห็นด้วยตนเองว่าลมหายใจถูกระบายออก และลากเข้าอย่างสมำเสมอจะทำให้เกิดความสงบมั่นคงและรู้ว่าถ้าลมหายใจละเอียดจิตย่มละเอียดตามลมหายใจหยาบจิตยอ่มหอยาบตามหรือเล็งเห็นตามจริงว่าถ้าลมหายใจไม่ยาวไม่นิ่มนวลก็จะปรุงแต่งจิตให้ร่าเริงต่อเนื่องไม่ได้ความอย่างรู้ชนิดนี้ก็จัดเป็นตัวอย่างความฉลาด ในโครจรสมาธิหรือถ้าหากผู้มีลมหายใจติดขัดระบบทางเดินหายใจบกพร่องเช่นคนเป็นโรคภูมิแพ้หายใจได้เพียงข้างเดียวก็อาจสังเกตว่าวิสัยของตนเองในขอบเขตจำกัดนั้นดูความเป็นไปของลมหายใจที่สัมพันธ์กับจิตตั้งต้นอย่างไรทำให้ฟุ้งหรืออึดอัดอย่างไร คลี่คลายเป็นไปอย่างไรดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไรควรต่อเมื่อใดควรหยุดจะกล่าวว่าความฉลาดในโคจรสมาธิคือการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะจิตกับสภาพอารมณ์สมาธิเป็นขณะขณะก็คงไม่ผิดผู้ไม่ฉลาดในโคจรสมาธิจะไม่เข้าใจศิลปะการยืดหยุ่นให้กับการกําหนดเพื่อเข้าสู่ดุลที่ ดีที่สุดในขณะหนึ่งหนึ่งเช่นถึงเวลาควรผ่อนลมหายใจให้สั้นลงกลับไปพยายามรักษาให้ยาวคงที่หรือยาวกว่าเดิมด้วยนึกว่าจะทำให้สงบเร็วขึ้นความไม่ฉลาดในโคจรสมาธินั้นบางทีก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยบางประการด้วยเช่นบางคนเป็นโรคหืดหอบทาให้ความเป็นไปของลมหายใจออก ทางลบเกือบตลอดหายใจไม่ต่อเนื่องมีความหยาบและสั้นเป็นต้นทางแก้คือวัตถุล่อจิตหลา ย, ลายแบบน่าจะมีสักแบบใดแบบหนึ่งที่เข้ากันได้กับจริตหรือความเหมาะสมเฉพาะตัวของเราไม่จำเป็นต้องฝืนยึดกรรมฐานที่ทำแล้วล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิ ความฉลาดข้อนี้เป็นของผู้ที่มีกําลังสมาธิอยู่ตัวกินตัวแล้วถึงจุดหนึ่งมีความพร้อมที่จะโอนเอ็งเข้าเก็บตัวสงบมีน้ําหนักกําลังจิตที่จะงวงตัวเองเข้าสู่สภาวะนิ่งแม้คิดอะไรอยู่ก็ตัดจากกระแสความคิดนั้นเชได้ซึ่งเป็นสิ่งที่คนขาดกําลังจิตทั่วไปไม่อาจจะทําแต่ขณะเดียวกัน แม้ว่ามีกําลังจิตแต่ขาดความฉลาดในการน้อมกระแสจิตเข้าสู่สภาพดึงดูดรวมตัวงก็อาจจะทําไม่ได้หรือว่าทําได้ช้าผู้ฉลาดในการน้อมจิตให้เกิดสมาธิก็จะเห็นจริงประการหนึ่งว่าสภาพตั้งมั่นเป็นสมาธินั้นมีความเหมือนกันแตกต่างกันตรงวัตถุอันเป็นที่ตั้งของสมาธิรสของสมาธิจึงต่างกัน การรับรู้ภายในก็ผิดแผลจากกันการนำเอาไปข้างใช้งานหลังถอนจากสมาธิก็เป็นคนละเรื่องกันอย่างเช่นความนิ่งที่ได้จากการตามรู้ลมหายใจนั้นจะทำให้เกิดความรู้ทั่วพร้อมทางกายเพราะลมหายใจย่อมมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกายโดยตรมจึงเหมาะกับการนำ มาทำกายานุปัสนาให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์ความนิ่งที่ได้จากการแผเ่เมตตาจะทำให้เกิดความสงบเย็นและสัมผัสกระแสสุภไยศาลจึงเหมาะกับการนำมาตั้งตัวขออภัยนะคะนำมาเป็นตัวตั้งในการทำเวทนานุปัสนาเป็นต้นดังนั้นหากฉล า, าดในการทาอารมณ์สมาธิและก็ฉล า, าด ที่จะน้อมจิตให้เป็นสมาธิก็จะมีส่วนช่วยงานวิปัสสนาให้ง่ายขึ้นมากลราวคือถูกกระทบจากภาษาชนิดใดประสบภาวะการแบบไหนก็น้อมมาเป็นเครื่องรู้อย่างมีสมาธิบางทีในคราวคับขันก็ช่วยให้รอดได้อย่างน่าอัศจรรย์เช่นผู้ประสบอุบัติเหตุเลวร้ายนั้นจิตใช้เวลานิดเดียว ยังไม่ทันคิดด้วยซ้ำเข็นจวนตัวก็น้อมจิต ด, ดิ่งลงถึงฌานทำให้เกิดธรรมชาติภายในที่แข็งแรงเกินมนุษย์ไม่เป็นอันตรายจากแรงกระแทกหรือของมีคมทั่วไป ขวกล่าวเป็นการเฉพาะด้วยว่าความฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิไม่ได้ประกันเสมอไปว่าจะทำให้เป็นนักวิปัสสนาที่ดีขอให้สังเกตด้วยว่าเมื่อน้อมจิตเข้าสู่สมาธิแล้วมีอาการรู้กายใจโดยความเป็นสภาวะธรรมโหนกอยู่ด้วยหรือไม่หรือว่ามีความปักใจเสียสุขอย่างเพลิดเพลินประกันเดียว9 กระทำความคารุะในสมาธิมีเรื่องจริงอยู่อย่างหนึ่งคือแม้ผู้บำเพ็ญสมาธิจนถึงความนิ่งระดับสูงแล้วก็อาจไม่ค่อยให้ความสําคัญไม่ค่อยเห็นค่าไม่ค่อยเห็นสมาธิเป็นของสูงโดยมากจะเป็นเพราะนานครั้งจึงทำให้ถึงความรวมดวงได้จริงหรือบางทีก็เข้าทานององังวลเปลี้ยวคือทาไม่ได้แล้วก็เยยดยามสมาธิจิต ด, ดีด ว่าเป็นสิ่งเลวร้ายโดยอาศัยข้อเท็จจริงด้านลบบางประการเช่นทำสมาธิแล้วติดสุขทำสมาธิจนเกินไปแล้วก็หลงเห็นนิมิตต่างๆหรือกระทั่งกล่าวหาว่าการทำสมาธิเป็นของต่ำเป็นระดับสมถะต้องปฏิบัติด้วยปัศนารู้เห็นสภาวะธรรมล้วนๆจึงนับว่าเป็นของสูงของที่น่ารรมสมาธิระดับสูงโดยเฉพาะ ฌานนั้นให้ปีติสุขอันเป็นวิเวทพากจิตออกจากความใคร้ความยึดหลงในการสุขอันควรรังเกียจใช้ได้ดังเช่นที่พระพุทธองค์ปรัสกับพระอุทายีในลัทธุ ก, กิโกปมสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่ห้าใจความก็คือเรากล่าวว่าสุขอันเกิดจากฌานสมบัตินั้นบุคคลควรเสพควรทำให้มี ควรทําให้มากและไม่ควรกลัวในสุขนั้ น, นเมื่อสมาธิทําให้เราพลากจากกามทําทให้เราตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางอันจะทําให้บรรลุมรรคผลพ้นทุกได้ก็จึงควรมองว่าเป็นธรรมชาติอันพึงให้ความเคารพเมื่อยังไม่ได้ก็ควรทําให้ได้เมื่อได้แล้วก็ควรรักษา กับทั้งรู้จักนำมาใช้เป็นยานพาเล่นไปสู่เส้นทางความประจักษ์แจ้งว่าใดๆล้วนอนิจจังใดๆล้วนอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นและปล่อยวางได้ในที่สุดข้อสิบกระทำความเพียรให้ต่อเนื่องในสมาธิบางครั้งเมื่อทำสมาธิสำเร็จแล้วคนเราไม่ว่าพระหรือว่าคารวาด มักจะมีกิจอื่นให้เอาใจไปใส่หรือไม่ก็เกิดความรังเกียจบ้างเกิดความท้อถอยที่จะต้านกามเกลียดบ้างเรื่องบังคับให้เตียนทมสมาธิอย่างต่อเนื่องนั้นยากเพราะเป็นเสรีภาพของแต่ละบุคคลหากแม้นว่าทำแม่นยําขึ้นใจแล้วก็ทำสมาธิเพื่อพรรากจากกาม เพื่อดำรงจิตให้ตั้งมั่นรู้เห็นธรรมสภาวะธรรมตามจริงเปรียบเทียบก็เห็นโทษว่าจิตที่ขาดสมาธิย่มหลงไปในอารมณ์โลกเป็นธรรมดาบ่อยเข้าก็อาจจะเป็นแรงผลักดันให้ความเพียรทําสมาธิ ต, ต่อเนื่องขึ้นกว่าเดิมได้ข้อ11กระทําความสบายในสมาธิ ผู้ภาวนาบางคนมีความเพียรในสมาธิมากเกินไปกลําเกรงระมัตระวังถึงขั้นพะวงรักษาสมาธิมากเกินไปหรือจดจ่อจะเอาความตั้งมั่นมากเกินไปบางทีก็เริ่มต้นตั้งหลักด้วยการเพ่งจ้องหรือประครองไว้ด้วยวิธีบีบบังคับถ้าหากตัดข้อเสียที่มาจากความโลภจะเอา ความโลภจะยึดไว้ไม่มีการคาดคั้นหวังผลก็จะรู้สึกปลอดโปรง่งสบายกับการทำสมาธิและการมีสมาธิลูกเล่นกรรมฐานคำว่าลูกเล่นหมายถึงอุบายแยบคายหรือกลเมตพลิกแปลงจากกระบวนวิธีปกติจะเรียกว่าลูกไม้ซึ่งหมายถึงการพลิกแปลงจาก ถ้าแม่ไม้ดั้งเดิมก็ได้ส่วนกรรมฐานหมายถึงการทำสมถะและวิปัสนาในจเจริญขึ้นในผู้ปฏิบัติภาวนายกตัวอย่างเช่นการละลึกถึงพระพุทธคุณก็จัดเป็นกรรมฐานมาตรฐานอย่างหนึง่งเพราะจิตที่ตั้งอยู่ในอาการเคารพเลื่อมใสคุณสมบัติอันเป็นเอกของพระบรมศาสดานั้น ย่อมได้ส่วนของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อจิตสงบแน่วแน่แล้วย่อมดำรงอยู่ในความเป็นสมถกรรมฐานพร้อมจะต่อยอดเป็นวิปัสสนากรรมฐานต่อไปแต่พระพุทธคุณนั้นมีหลายประการแบ่งออกโดยพิศดาลเป็น9ก้าประการบ้างคือภาวะแห่งความเป็นอรหรันต ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกฝึกคนได้เลิดสุดเป็นศ า, ศาสดามนุษย์และเทวดาเป็นผู้ตื่นและเบิกบานกับเป็นผู้มีโชคย่อลงเหลือสามประการบ้างคือพระปัญญาพระวิสุทธ์รักกรุณาหรือว่ารวบรัที่สุดก็คือสองประการบ้าง คือพระมหาปัญญาและพระมหาการุณาการระลึกถึงพระคุณพร้อมกันหลายประการอาจไม่เหมาะกับการตรึงจิตให้ตั้งมั่นด้วยอารมณ์เดียว ครูบาอาจารย์ผู้ฉลาดสอนจึงให้บริกรรมพุทธโธอันเป็นคำเตือนจิตให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในส่วนลึกใครเคยเลื่อมใสและเห็นคนของพระองค์มาอย่างไรจิตก็จะตรึงอยู่กับอาการเคารพแบบนั้นหรืออย่างน้อยที่สุดคำว่าพุทธโธก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะสั ญ, ญลักษณ์ของความรู้ตื่นเบิกบาน แม้ต้องบนในใจเพียงพุโทโธพุธโทโธโดยแม่ระลึกถึงพระพุทธองค์ก็อาจจะลงสู่ความสงบได้และสัมผัสถึงความเป็นพุโทโธในความหมายของผู้รู้ผู้เบิกบานขึ้นมาอ่อนๆจึงเรียกว่าการภาวนาพุทธโธจัดเป็นลูกเล่นลิกแปนงมาจากของเดิมคือกรรมฐานว่าด้วยการระลึกถึงพุทธคุณลูกเล่นกรรมฐานที่กาลัง จะกล่าวต่อไปนี้เหมาะกับผู้ที่ฝึกสมาธิมาตรฐานไม่ได้ผลหรือมักจะมีข้ออ้างกับตนเองว่าทุลยุ่งเกินกว่าที่จะหาเวลามาภาวนาประจุดประสมของลูกเล่นกรรมฐานคือกำจัดความฟุ้งในเบื้องต้นด้วยวิธีง่ายแล้วก็ใช้ความพยายามน้อยที่สุดไม่ได้ใช้อุปกรณ์พิเศษนอกเหนือไปจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเอง หรือธรรมชาติภายนอกที่พบเห็นในชีวิตประจำวันเพราะอาจพบข้อสังเกตว่าทุกคนทุกแห่งเป็นสนามปฏิบัติจริงให้เกิดสติรู้ได้เสมอเพียงจะตั้งมุมมองและความเพียนไว้ในจุดไหนเวลาใดเท่านั้นเมื่อศึกษาลูกเล่นกรรมฐานพอเป็นที่เข้าใจแล้วบางคนอาจคิดอุบายขึ้นเอง เพื่อเหมาะกับความชอบใจหรือความสะดวกส่วนตัวไม่ว่าใครจะมีอุบายทําความสงบเบื้องต้นอย่างไรสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือความสอดคล้องกับสติปัฏฐานสกล่าวคือเมื่อสงบแล้วตั้นจิตมั่นพร้อมรู้ในขอบเขตกายใจหรือให้ดีกว่านั่นคือสามารถเห็นความเกิดดับไปด้วยในตัวขออย่างเดียวคืออย่าฝึกแบบกระโดดไปกระโดดมา ควรฝึกอย่างเดียวจนกว่าจะได้ผลเป็นความสงบหรือแน่ใจว่าไม่ถูกกับอัธยาศัยแน่แล้วจึงค่อยลองแนวอุบายอื่นดูข้อกล่าวเป็นหมายเหตุไปด้วยว่าปัจจุบันมีการคิดค้นแนวทางแก้เครียดจากนักวิจัยทั่วทุกมุมโลกหลายแนวอาศัยเครื่องช่วยที่ทันสมัยเช่นอุปกรณ์ที่ป้อนแสงหรือว่าเสียงที่ปรับขึ้นสมอง ให้อยู่ในภาวะผ่อนคลายหรือกระทั่งใช้กลิ่นละเหยหอมพิเศษแบบเดียวกับที่คนยุคโบราณเคยใช้มาก่อนยังไม่นับการใช้ยาหลายๆประเภททั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายการใช้เครื่องช่วยอาจทำให้จิตใจผ่อนคลายแต่จะไม่ทำให้จิตแข็งแรงพอที่จะยืนได้ด้วยตนเองคนที่เคยอาศัย เครื่องช่วยแล้ววันหนึ่งขาดไปมักจะมีอาการข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์เช่นเครียดหรือปวดหัวเพราะฉะนั้นต้องตกลงกันแต่เริ่มว่าอุบายแก้ฟุ้งที่ดีแล้วก็ควรใช้ในทางทำมักทำผลให้เกิดจริงๆไม่ควรอาศัยเครื่องทุนแรงภายนอกเตียงเพราะเห็นแก่ความรวดเร็วทันใจไม่ต้องลงทุนลงแรงคนเราไม่ชอบออกแรง ไม่ชอบลงทุนชอบได้อะไรมาง่ายๆฟรีๆลงท้ายก็มักจะจบลงด้วยความฉับชวยและอ่อนแอไม่ใช่ความสำเร็จที่ต้องการความบริสุทธิ์ของจิตเช่นมักผลอย่าลืมว่าเสียงเพลงและกลิ่นอาจทำให้เราเคลิมสงบลงก็จริงแต่อาจจะทำให้มุมกลับไปหากามฉันทะอันเป็นนิวรออันดับหนึ่งได้เช่นกัน กรุมปฏิบัติหลายแห่งมองว่าการใช้ยาเสพติดบางชนิดจะช่วยให้เห็นสภาวะธรรมชัดขึ้นหรือกระทั่งเกิดการบรรลุธรรมง่ายขึ้นนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงเพราะแค่ความบริสุทธิ์ของจิตระดับศีลก็ไม่ผ่านเสแล้วจิตถูกแต่งด้วยฤทธิยามอมเมาเสีแล้วจะเอาความบริสุทธิ์ระดับสมาธิและปัญญาเชิงพุทธมาแต่ไหน